ข้อความในคุธการนิกายอิติวุตกะสัมปัญสูตรข้อ292กล่าวถึงผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมปฏิบัตินะครับพงตรัสว่าดู ก, ก่อนพิสูนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาติโมขสังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศิกษาบททั้งหลายเถิดด้วยความพิสูจนทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาติโมคขาสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัย ในโทษอันมีประมาณน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรที่เธอทั้งหลายพึงกระทําให้ยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าดํารงมั่นอยู่ในศีลมีศีลอย่างมั่นคงแล้วใช่ไหมครับปาติโมกเนี่ยมาจากปฏิใช่ไหมครับปฏินิแปลอะไรปฏินิปมาจากพระพุทธเจ้านะผู้เป็นบดีผู้เป็นใหญ่ได้ทรงแสดงศีลเหล่านี้เอาไว้นั่นเองนะครับนัยยะหนึ่งมาดูกันพิสูจน์ทั้งหลาย ถ้าแม้อภิชาพยาบาทถีนมิทะอุททจกุกุจจะของภิกษุผู้เดินไปอยู่เป็นธรรมชาติปราดไปแล้วอันภิกษุผู้เดินไปอยู่ละวิจิกิจชาได้แล้วปรารบความเพียรไม่ย่อห ย, ย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เดียวนะครับเป็นเอกคตาจิตนะครับบาลีว่าเอกคตาจิตใช่ไหมครับพิสุผู้เดินไปอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตระปาปรารบความเพียรมีจิตใจเด็ดเดียวตลอดการเป็นนิดนะครับนี่คือเรียกว่าคนคนเพียรคนกลา้าคนอะไรจริงๆก็ต้องลักษณะนี้นะครับสมบูรณ์ด้วยปาติโมคสังวรทุกอย่างเลย แล้วก็นิวรห้าไม่ครุ่มรุมนิวรห้าไม่ครอบงำนะครับจึงจะเรียกว่าผู้ที่มีความเพียรมีโอตระปาเป็นครูปา ร, รบความเพียรจริงๆดูก่อนพิสูุนทั้งหลายถ้าแม้อภิชาพยาบาทถีนะมิทาอุทจักกุกุจะของพิกษุผู้ยืนอยู่เป็นธรรมชาติปราดไปแล้วอันพิกษุผู้ยืนอยู่ละวิจิกิจชาได้แล้ว ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่ระสามระสายมีจิตตั้งมั่นนะครับเป็นเอกคตาภิกษุผู้ยืนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเราตะทาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดียวตลอดการเป็นนิดนี่ก็หมายถึงอิรยาบทยืนนะครับ ถ้าแม้อภิชาพยาบาทถีนมิทาอุทจักกุกุจจะของภิกษุผู้นั่งอยู่เป็นธรรมชาติปราดไปแล้วนะอันภิกษุผู้นั่งอยู่ละวิจิกิจชาได้แล้วปรารบความเพียรไม่ย่อห ย, ย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่ระสำระสายมีจิตเป็นเอกคตาภิกษุผู้นั่งนะอยู่อย่างนี้ เราจะทาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตระปาปรารบความเพียรมีใจใ จ, ใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิสถ้าแม้อภิชาพยาบาทถีนมิทธะอุทะจักุกุจะของพิสุผู้นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นธรรมชาติปราดไปแล้วอันพิสุผู้นอนอยู่ตื่นอยู่ละวิจิกิจชาได้แล้วปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืม กายระ ง, งับไม่ระสาระสายตั้งจิตไว้มั่นนะครับเป็นเอกคตาเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแม่นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราสถาคดกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตะปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิสนะครับโอ้ไม่ง่ายนะครับที่จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจตุ ป, ปาริสุทิศีล แล้วก็ในอิริยาบถ ท, ทั้งสีนิวรห้าไม่กลุ่มรุมเลยนะครับก็นับว่าควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะชมเชยนะว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ที่มีโอตตะ ป, ปะเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับนิวรไม่กลุ่มรุมเลยเนาะการมาฉันทะไม่รู้สึกเพลิดเพลินในรูปเสียงเกลื่นรถและโพธภาเลยนะครับ ไม่มีโทสะหงุดหงิดใจแม้แต่นิดเดียวไม่มีอุทธจักกุกุจจะเดือดร้อนราคาญอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไม่มีทีน่ะมิทะซึมๆเซ่อเซ่อเสลมเสลือก็ไม่เป็นนะครับเส็จแล้วก็ไม่ได้มีความลังเลสงสัยอะไรเป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นนะครับเป็นดํารงอยู่ด้วยอํานาจของสติและสัมปชัญญะมีวิริยะมีโอตับะจะเห็นว่าผู้ที่ดํารงได้อยู่อย่างนี้ก็สมบูรณ์ด้วย ศีลสิกศิขาจิตตศิขาแล้วก็ปัญญาศิขานะครับศิขาสามนี่เขาบริบูรณ์นะครับจึงจะบริหารชีวิตให้เป็นไปในลักษณะนี้ได้แล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุเพียรอยู่สามารถประทานเนี่ยนะครับพึงเดินยืนนั่งนอนคู่เข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นนี้เพียรในทุกขณะเลยแบบนั้นเถอะ อันหนึ่งภิกษุพิจารณาโดยชอบซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันในเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องต่ำตลอดภูมิเป็นที่เป็นไปแห่งสัตว์ผู้สัญจรไปบนแผ่นดินพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฟุ้งซ่านมีญานทัทนวิสุทธิ สมควรแก่ธรรมะเป็นเครื่องสงบใจศึกษาอยู่มีสติทุกเมื่ อ, อย่างนี้ว่าผู้มีใจเด็ดเดียวตลอดการเป็นนิดนะครับนะคนมีจิตใจเด็ดเดียวจริงๆก็ต้องเป็นผู้ที่นะทุกๆอิรยาบทีมีความภาคเพียรหมดเลยนะครับมาไปด้วยสมมาประทานแล้วในขณะเดียวกันก็เห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมของขันนะครับทุกๆขันเลยนะครับ ผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะมีสติมีปัญญาในลักษณะ น, นี้นี่นะครับมีความสงบใจศึกษาศิกขาสามตลอดกาละทุกเมื่อนะพระพุทธเจ้าท่านยกย่องมากนะครับทจริงนะโดยสับควรจะแปลว่าผู้มีใจส่งไปแล้วหรือผู้มีตนส่งไปแล้วในพรนิพพานนะทัดส่งไปในนิพพานก็คือน้อมจิตไปตามแนวโพธิปัจจธรรมเพื่อพ้นทุกข์นะครับ แตยิงควรแปลแบบนั้นนะครับผู้มีใจส่งไปแล้วหรือผู้มีตนส่งไปแล้วนะครับจึงจะอธิบายตามอัตถกาถาได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าปล่อยแปลแ บ, บอกว่าใจเด็ดเดี่ยวหมวายคว่ามันเข้าใจยากนะครับมันจะคิดแบบอ่านหนังสือจีนมาก็จะคิดแบบจีนเป็นต้นนะนะคนละอย่างกันนะครับคําว่าเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวก็คือเป็นผู้มีใจอันส่งไปแล้วก็คือส่งไปในพันนี่พานนั่นเองนะครับ มุ่งตรงต่อพระนิพพานแบบไม่มีเยื่อใยในกายและชีวิตเลยนะครับลักษณะนั้นทีนี้ต่อไปนะครับอัตกถาสัมปันนะสูตรอธิบายว่าคำว่าสัมปันนะครับสัมปันนี้แปลว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นี่มีอยู่3มอย่างด้วยกันนะครับคือแปลว่าเต็มบริบูรณ์อย่างหนึ่งแปลว่าพรั่งพร้อมนี่อย่างหนึ่งแปลว่าหวานอร่อยนี่อย่างหนึ่งนี่สับๆนะครับโดยสับนะ ศัพท์ว่าสัมปันนะหรือสมบูรณ์เนี่ยนะครับมีสามความหมายบรรดาสัมปันนะทั้งสามอย่างนั้นนะครับสัมปันนะที่มีความหมายว่าเต็มบริบูรณ์เช่นประโยคว่าข้าแต่ท่านเท้าโกสีนกแขกเต่าทั้งหลายพากันจิกกินรวงข้าวสาลีที่มีเมล็ดเต็มบริบูรณ์ข้าแต่ท่านเท้าพระพรหมข้าพเจ้าขอประกาศให้ท่านทราบ พระพเจ้าไม่สามารถจะห้ามพวกมันได้นะครับอันนี้ก็แปลว่าเต็มบริบูรณ์เนี่ยนะสัมปณะสั์เหมือนกันนะครับในคาถานีนะครับสัมปณะสับนะครับที่มีความหมายว่าพรั่งพร้อมก็มีนะครับเช่นในประโยคนี้ว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปใกล้ชิดพรั่งพร้อมประกอบด้วยปาติโมคสังวอ น, นะครับ น, นี่ก็คือแปลว่าพรั่งพร้อมนะพรงพร้อมบริบูรณ์เนี่ยนะจะแปลว่าอันเดียวกันก็ได้นะครับบางทีก็สัมปนะศัพท์ที่มีความหมายว่าหวานอร่อยก็เหมือนกับที่พระโมคคลานะตรักกล่าวกับพระผู้มีพระภาคนะครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพื้นล่างมหาปตพีนี้มีรสอร่อยเป็นสิ่งที่น่าชอบใจเหมือนน้าพึ่งหวานที่ไม่มีโทษนะครับเ็นไ แต่ว่าในสัมปนะสูตรสัมปนะสูตรนี่เนี่ยนะครับเหมาะในความหมายว่าเต็มบริบูรณ์กับความหมายว่าพรั่งพร้อมนะไม่เอาไม่ต้องแปลว่าหวานอร่อยนะครับแต่ต้องแปลว่าเต็มบริบูรณ์และพรั่งพร้อม <arena> เพราะฉะนั้นพึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าบทว่าสัมปนะศีลาคือผู้มีศีลสมบูรณ์หรือว่าเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์หรือว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยศีลนะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับผู้มีศีลบริบูรณ์หรือว่าเป็นผู้พร่องพร้อมด้วยศีล น, นะครับเอาศีลแบบเต็มรอบเลยนะถ้าเหมือนกับข้าวสาลีก็เต็ ม, มเมล็ดนะครับเต็มบริบูรณ์นะครับไม่พร่อง น, นะไม่รีบอย่างนั้นนะไม่ใช่ข้าวรีบบรรดาความหมายทั้งสองอย่างนั้นตามความหมายนี้ว่ามีศีลบริบูรณ์แล้วมีที่ายว่า ศีลชื่อว่าเป็นศีลสมบูรณ์แล้วเหมือนความบริบูรณ์ของนาเพราะปราศจากโทษของนานะครับนานี่มีโทษนะครับนาบางอย่างมีโทษใช่ไหนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษนาทั้งหลายเนี่ยนะครับน้ำมากเกินไปน้ำน้อยเกินไปมีกรวดมีดินเค็มมันเรียกว่าโทษของนาแต่นี้นาที่ไม่มีโทษก็เป็นนาที่ที่บริบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าความบริบูรณ์ของศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพราะปราศจากโทษของศีลเหมือนความบริบูรณ์ของนาเพราะปราศจากโทษของนานะครับถ้าหากว่าศีลที่มีโทษเนี่ยนะครับศีลที่ไม่บริบูรณ์ก็คือศีลที่ขาดศีลที่ด่างศีลที่พร้อยศีลที่ทะลุนะครับศีลที่อันตัรหาและทิ่ถีเข้าไปจับต้องนะครับ เป็นศีลที่เป็นธาตุของกิเลสตัณหานะครับลักษณะนั้นนะเรียกว่าศีลที่ไม่บริบูรณ์แต่ถ้าศีลที่บริบูรณ์ก็คือศีลที่ไม่ขาดไม่ด่ังไม่พร้อยไม่ทะลุนะครับเป็นศีลที่วินยูชนใคร่ครวนแล้วก็ยกย่องสรรเสริญนะครับตัณหาและทิฏฐิไม่ไม่จับต้องนะครับจึงจะเรียกว่าศีลที่ไม่มีโทษจริงๆนะครับเหมือนกับนาที่ว่าถ้านาที่ไม่มีญ้าน้ําไม่ท่วมเกินไปไม่แห้งแรงเกินไปดินไม่เค็ม นะครับไม่เคมแล้วก็ไม่ปนด้วยกรดเป็นต้นเนี่ยนะครับนาที่นี้เทวานาที่ไม่มีโทษเหมือนอันนี้คืออธิบายถึงความว่าศีลบริบูรณ์นะครับก็คือไม่มีโทษใดๆเลยส่วนตามความหมายนี้ว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยศีลมีผู้ท้าที่บายไว้ว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พรั่งพร้อมถึงการรวมลงเป็นผู้ประกอบด้วยศีลอยู่เธอสนะครับ นะประมวลให้เป็นไปลายกสีเนี่ยนะพรั่งพร้อมประมวลเอาศีนี่ให้บริบูรณ์เลยนะในสองอย่างนั้นความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ก็มีได้ด้วยเหตุสองประการนะสีจะสมบูรณ์จะบริบูรณ์เต็มเปี่ยมได้ด้วยเหตุ2องครับคือด้วยการเห็นโทษของศีลวิบัตย์นี่อย่างหนึ่งด้วยการเห็นอนิสง์ของศีลสมบัตินี่ยอย่างหนึ่ง2 อ, อย่างนี้สําคัญมากนะครับ คือโทษของศีลวิบัติอานิสง์ของศีลสมบัติถ้าไม่เห็นโทษทั้งสองอย่างนี่ก็ยากที่จะทําศีลให้บริบูรณ์ได้และอานิสง์ทั้งสองอย่างนั้นนะครับคือทั้งโทษของศีแลแวิบัติอานิสง์ของศีลสมบัตินี่นะครับก็ให้ศึกษาเอาตามนัยยะของวิสุทธิมักนะครับที่บอกว่าถ้าทุตศีลแล้วก็ถ้าเป็นพระพิสูจ์เราเป็นยังไงครับก็ดูได้ในอัคคีขันธูปมัสูตรนะครับในอังคุตระนิกาสักการณบาล หรือถ้า น, นิสงค์ของศีลก็ดูได้ในมัชฌิมนิกายมูลปัญธาตนะครับอานกังเขยสูตรนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คืออ น, นิสงค์ของศีลส่วนคําใดที่ขา้าพเจ้าควรจะกล่าวในที่นี้โดยในเป็นต้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นด้วยบทเพียงเท่านี้ว่าผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงปาริสุทธิศี จึงทรงแสดงศีลที่เป็นหลักไว้ด้วยคํานี้ว่าเป็นผู้สํารวมดุวยแล้วด้วยปาติโมกขสังวร น, นะที่บอกว่าสัมปันนศีลานี่นะครับที่พระ อ, องค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สํารวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยสมัธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอเนี่ยนะครับ พระองค์ก็แสดงให้เห็นที่จริงแล้วจากพุทธพจน์นี้ก็ทั้งจตุ ป, ปาริสุทธิสีนะครับทั้งปฏิโมคสังวรอินทรสังวรปัตจะยาการพิจารณาปัจใจสีนะครับแล้วก็อาชีวปาริสุทธิสีนะครับแต่ว่ายกปาติโมกขึ้นเป็นหลักในฐานะเป็นเหมือนกับศีสักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศีสักคือปาติโมกยังอยู่สามอย่างที่เหลือก็พอจะยังอยู่สมัยคําว่าเยียวยาได้นะครับ แต่ถ้าว่าปาติโมกไม่มีแล้วก็ยากที่จะเยียวยานะครับบทว่ากิมัสสะอุตตริงกรณียังมีเนื้อความว่าถ้าหากจะมีคำถามว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอยู่อย่างนี้จะพึงมีอะไรที่จะต้องทำคือจะต้องปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเล่านะครับใช่ว่ารักษาศีลอย่างดีเตี่ยมนงนทาอะไรอีกว่างาั้นตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงประกอบพิสูจนทั้งหลายไว้ในศีลสัมปทาพร้อมด้วยอุบายที่จะเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยคำเมียที่ว่านะดูการพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันมีศีลสมบูรณ์อยู่อย่างนี้เถิดดังนี้ได้ทรงเริ่มพระธรรมเทศนายกบุคคลจํานวนมากขึ้นเป็นที่ตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นว่าศีลถ้าจะบริบูรณ์ได้เนี่ยนะก็ต้องเห็นโทษ นะครับในมาดว่าเล็กน้อยสมท า, านศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนะครับถ้าปฏิบัติในลักษณะนั้นได้จึงจะทําให้ศีลอยูบูรณ์ทีนี้บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศานานั้นด้วยสามารถแห่งการยกบุคคลคนเดียวเป็นที่ตั้งในปาติโมขะสังวรเนี่ยบอกทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะทีนี้จะยกตัวอย่างคนเดียวขึ้นเพราะเหตุที่พระธรรมเทศานาของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงจะเป็นไปแลว้วโดยการยกบุคคลคนเดียวขึ้นเป็นที่ตั้ง แต่ก็เป็นพระธรรมเทศนาที่ยกบุคคลเป็นอเนกขึ้นเป็นที่ตั้งเพราะเป็นสาธารณะแก่สัพพสัตว์นะครับคือพระสูตรเนี่ยนะครับที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสนี่นะครั บ, ระระรระรบจะตรัสกับพระภิกษุก็ตามแต่ก็หมายถึงบริษัททั้ง4ี่เนี่ยนะครับจะตรัสบุคคลคนเดียวก็ตามก็หมายบุคคลทั้งปวงนั่นแหละที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงแต่พระภิกษุหรือพระภิกษุก็ถ้ายก องเดียวรูปเดียวก็ไม่ใช่ว่ารูปเดียวนะครับพิสูนทั้งมวลจะต้องปฏิบัติแบบนี้นะครับจึงตรัเมีที่ว่าจรโตเจปิพ er ิคเวพิคุโนดูกรพิสูจทั้งหลายถ้าหากว่าก็ความกลันะแก่พิสูจผู้กำลังเดินไปไซ้เพิง่งทราบวินิจฉัยในคำเหล่านั้นต่อไปนะขยายคำวัานขยายนิวอเ น, นี่ยนะ นิวรห้าเดินอย่างไรที่จะไม่มีการมาราคาหรือการมฉันทะนิวรเป็นต้นเนี่ยกลุ่มรุมได้นะครับอันก็ขยายศัพท์คําว่านิวรแต่ละอย่างกิเลสชาติชื่อว่าพิชชาเพราะเป็นเหตุเพ่งเลง็งอันคําว่าพิชชายะนี้เป็นชื่อของโลภะที่มีลักษณะเพ่งเลง็งสิ่งของของผู้อื่นนะครัว่าเพ่งเล็งนี่หมายความว่านึกชอบใจนะครับนึกชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั่นเอง กุศลธรรมชื่อว่าพยาบาทเพราะเป็นเหตุให้จิตถึงความพิราษคือให้เป็นจิตเสียนะครับจิตมันจะเสียก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะโทสะนี่แหละเหมือนกันน้ําดีๆนี่นะครับเอาของสกปรกไปใส่ลงมันก็เลยเป็นของเสียไปเลยนะครับอันนี้ก็จิตเป็นจิตเสียเหมือนกันคํานี้เป็นชื่อของโทสะที่มีอาคาวตวัตถุ19บเกอย่างเป็นอารมณ์นะครับคือจิตนี้เป็นไปกับโทสะสิบเเรื่องนะ เป็นไปแล้วเป็นต้นว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานะครับโน้นเคยด่าเราคนโน้นกำลังด่าเราพวกโ น, อนอ้นจะด่าเราเป็นต้นเนี่ยนะครับเพิ่งทราบความพิสดารของอภิชาและพยาบาททั้งสองอย่างโดยนายเป็นต้นว่าบรรดาธรรมะเหล่านั้นการมาฉันทะเนี่ยคืออะไรนะครับถามมันนะก็คือความพอใจในกาม พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะครับคำว่ากามเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏพะความพอใจในกามความสเสน่หาในกามความระหายในกามความเร่าร้อนเพราะกามความสยบอยู่กับกามการยังลงสู่กามในกามทั้งหลายดังนีนะ้ก็คือชอบใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองอันหนึ่งคือความโลภความละโมบภาวะของผู้ละโมบแล้ว ความกำหนัดมากความกำหนัดจัดภาวะของผู้กำหนัดมากความเพ่งเลง็งโลภะนะครับอกุศลมูลนังนี่นะครับนี่ลักษณะเรียกว่าการมาฉันท่าหรือโลภะนั่นเองอภิชานะครับแล้วก็โดยในเป็นต้นว่าความพยาบาทคือความร้ายกัดความใจร้ายภาวะของผู้มีจิตถูกโทสะปะุถุสลายแล้ว ความพยาบาทความถึงความพินาศแห่งจิตภาวะของผู้พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายการให้ผู้อื่นหลังน้ําตาเคยไหมครับทำให้ผู้อื่นหลังน้ําตาความไม่พอใจแห่งจิตดังนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีพยาบาทนะบทว่าวิคโตโหติความว่าทั้งอภิชาทั้งพยาบาทนี้ เป็นของปราดไปแล้วคือไปปราดแล้วอธิบายว่าละได้แล้วด้วยคำเพียงเท่านี้เป็นอันพระองค์ทรงแสดงถึงการละกามชฉันทานิวอนและพยาปาทานิวรนได้แล้วนะครับที่แรกก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยจตุ ป, ปาริสุทิสีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ถูกการมชฉันทะนิวอกลุ่มรุมไม่ถูกพยาปาทานิวอนกลุ่มรุมนะครับ สรุปแล้วไม่มีการมาวิตกเกิดเลยไม่มีพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นนะครับบทว่าถีนะมิทงังได้แก่ทั้งถีนะและทั้งมิถะนะครับบรรดาถีนะและมิถะทั้งสองอย่างนั้นภาวะที่จิตไม่ควรแก่การงานชื่อว่าถีนะนะครับจิตไม่ควรแก่การงานอะไรเลยนะครับคําว่าถีนะนี้เป็นชื่อของความเกียจคร้านะ ความที่ขันทั้งสามมีเวทนาขันเป็นต้นไม่ควรแก่การงานชื่อว่ามิทะคือถีนะเนี่ยนะครับมันทําให้จิตเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มิทะมันทําให้เจตสิกที่เหลือเนี่ยเสื่องซึมท้อถอยต่ออารมณ์นะครับสรุปถีนะมิทะทาให้จิตเจตสิกเสื่องซึมท้อถอยต่ออารมณ์เสร็จแล้วนะครับมันมีผลออกมาหาจิตตะชุปด้วยเพราะ จ, จ, จิตเจตสิกเหล่านี้ทําจิตตะชุปนะครับเช่นสีหน้ากิริยาท่าทางหดหูเสื่องซึมท้อแท้ เป็นต้นนะครับคำว่ามิท่านี้เป็นชื่อของความเป็นผู้ปั่นปวดนะครับ้ไม่ม่วนเลยนะครับลักษณะนั้นผู้ศึกษาเพิ่งทราบความพิสดารของทีนะมิท่าทั้งสองศัพท์โดยในเป็นต้นว่าบรรดาถีนะและมิท่าทั้งสองอย่างนั้นทีนะคืออะไรคือความที่จิตไม่เหมาะสมความที่จิตไม่ควรแก่การงานความหดหูความหวันไวแห่งจิต บรราทีนันและมิธะทั้งสองอย่างนั้นมิถะคืออะไรคือความที่กายไม่เหมาะสมความที่กายไม่ควรแก่การงานความล้าความเมื่อยขบแห่งกายกายในที่นี้เป็นชื่อของเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนะครับก็กายขันสามเจตสิกขันสามไงครับกายปะปัสสัตถิจิตะปะสัสสัตถิใช่ไหมครับไอกายตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อของเจตสิกขันสามนะครับคือ ถ้าหากว่าจิตเจตสิกซึ่งเป็นสมุธฐานของจิตตะชลบทั้งหลายและเนี่ยนะครับถ้าจิตเจตสิกมันเหนื่อยล้าก็ไม่ต้องพูดว่าไอ้ร่างกายมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทีนมิธานิวเนี่ยนะครับพอกลุ่มรุมก็ทําให้จิตเจตสิกซึ่งซึมท่อแท้ท่อถอยนะครับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยอ่อนล้าไปหมดเลยนะพอความรู้สึกนึกคิดอ่อนล้าสีหน้ากิริยาท่าทางเป็นต้นมันจะขนาดไหนนะครับ เพราะว่าสมุดฐานคือจิตเรานั้นนั้นเสียหายไปหมดแล้วนะครับส่วนบทว่าอุททะกุกุจังได้แก่ทั้งความฟุ้งซ่านทั้งความรำคาญใจอุทจะนี่ฟุ้งซ่านนะครับกุกุจะ น, นี่รำคาญใจเดือดร้อนใจะนะบรรดาอุทจะและกุกุจะ น, นั้นอาการของจิตที่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอุทจะความเดือดร้อนเพราะบาปที่ทาไวเป็นปัจจัยของผู้ไม่ได้ทาความดีไว ทำแต่ความชั่วไว้อย่างนี้ชื่อว่ากุกุจะนะครับจิต ท, ที่มันฟุ้งซ่านนะครับไม่สงบกับทุกๆอารมณ์เลยนะครับพี่เวลารับรู้อารมณ์ใดก็ไม่สงบเลยนะครับอย่างนี้เรียกว่าอุทจัจะส่วนถ้าคิดนี่สมเห็นอะไรก็ปรับมาดีไม่ได้ทําเลยนะเนี่ยชั่วก็ทําไว้มหาศาลเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะถ้าเห็นจีวรเนี่ยเอ้เนี่ยวิในประเภทจีวรก็ยังไม่ได้ปลงเลยอย่างเงี้ยนะครับ ศีลประเภทมีจีวรเป็นอารมณ์ก็เป็นเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับเสีงยงใดแล้วเดือดร้อนใจลักษณะนี้เรียกว่ากุกุจะนะครับนี่นะเช่นไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์บางอย่างเอออันนี้ศีลเราก็ผิดนะนี่นะยกตัวเห็นปลาเนี่ยนะไม่เคยปล่อยสัตว์เลยมีแต่ข้ามันอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยให้ชีวิตเป็นทานอะไรเลยมีแต่ข่ามันเห็นข้าวของก็ไม่เคยบริจาคให้ใครเลยมีแต่ลักขโมยเป็นต้นเนี่ยนะครับ เห็นบุตรพันยาของผู้อื่นโอยไปทำเหตุแต่แบบนี้มา น, นะเอ่งดเว้นแบบนี้ไม่เคยทำเลยมุสาวาดก็หลอกคนนี้หลอกคนโน้นคำสัตย์คำจริงก็ไม่ค่อยให้ใครเลยนะครับลักษณะนี้ใครที่ทำตัวลักษณะนี้บ่อยๆจะเดือดร้อนใจจะรำคาญใจนะครับผู้ศึกษาเพิ่งทราบความพิสดารของอุทจจะและกุกุจจะทั้งสองนั้นโดยนายเป็นต้นว่าบรรดาอุทจจะและกุกุจะทั้งสองนั้นอุทจจะคืออะไร คือความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตความสัด ส, สายแห่งจิตความหมุนเวียนแห่งจิตนะครับสำนวนว่าจิตมันหมุนเตี้วเลยนะครับเหมือนกับคนอะไรนะหน้ามืดนะครับหน้ามืดนะนะเพิ่งทราบอาการเป็นปลายของกุกุจะ ว, ว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้นะครับนะคือเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูด คำสัตว์คำจริงไม่พูดคำหยาบเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้ทาไว้เลยนะครับนะทำแต่อาคุศลไว้นะครับอาคุศนฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเนี่ยนะบาปประทำทั้งหลายก็ทำไว้เยอะแยะนะครับเราไม่ได้ทําการต้านทานสิ่งที่น่ากลัวไว้เราทําแต่บาปไว้เราทํากรรมชั่วช้าไว้แล้วเราทําความผิดไว้แล้วอย่างเงี้ยนะถ้าพวกนี้ไปเกิดใกล้จะตายเนี่ยเสียหายมากนะครับพบหน้าไม่ดีแน่นอนนะครับ อ ย, อย่างไงอย่างไงก็อย่าไปเดือดร้อนใกล้ตอนนั้นก็แล้วกันแต่ถ้าไม่ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้ให้มันสงบตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็ยากที่จะแก้ไขได้นะครับเพราะธรรมดาคนเราที่เกิดมาเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมเป็นต้นเนี่นะครับความผิดความพลาดก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วทีนี้เมื่อมีความผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยนะพอรับรู้แบบนี้จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร นะครับถ้าหากว่าไม่แก้แกไขตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะเป็นชื่อว่าผู้ที่ทำบาป ท, ทำกรรมให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะเวลาใกล้ตายนะครับอบายทุกขติวินิบาตก็ต้องรับด้วยตัวของเราเองนะครับไม่มีใครมารับแทนแลรวไม่มีใครมาชดใช้บาปอันนี้ให้แก่เราเพราะเจตนาอันนี้มันเป็นของเฉพาะตัวจริงๆอืม่อไกครับอ่าดูดูถ้าว่ากันตามคนทั่ ว, วไปเขาคิดนี่าว่า มันเป็นการสํานึกผิดหรือเปล่ามันน่าจะดีใช่ไหมครัแต่าตามหลักที่เรากาลังว่าเ น, นี้เป็นอกุศลไม่ดีที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษก็ดีแต่ น, นี่มาเดือดร้อนใจนะครับนนะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วตั้งใจสํารวมระวังต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรยกย่องแต่อันนี้มันเดือดร้อนใจนะครับไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะครับ น, นะอย่างเช่นบางคนที่เป็นอาบัติเนี่ยนะครับ พอเป็นอาบัติปั๊บนี่ร้อนใจเลยนะไม่น่าทําเลยทําไมต้องทําด้วยอย่างงั้นนี้มันนั่งพร่ําตําหนิตัวเองยกใหญ่เป็นต้นเลยนะครับเหมือนกับว่าวิธีทําอย่างนั้นจะชดเชยบาปอนะที่จริงไม่ใช่นะครับะ น, นั่นเป็นบาปเป็นอคุศล อ, อย่างแรงกล้าจริงๆนะครับอย่างนะที่ที่กล่าวเนี่ยนะแต่ถ้านี้โทษภัยนะตั้งแต่วันนี้ต่อไปโทษภัยอันนี้จะไม่ให้สารอยอีกเด็ดขาดถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแค่เพิกจิตติดเดียวนะครับก็อยู่ที่ว่า มีอุบายหรือเปล่าสท่ น, นั้นเองนะครับเอ่อทีนี้ไหน้องยกตัวอย่างเพื่ออาจจะเป็นแนวอุบายให้คนที่เกิดวิปฏิสนาเรื่องอบปัตเรื่องอะไรหรือว่าทำบาปทำกรรมอย่างเช่นว่าคนที่เขาเป็นชาวบ้านเขาอาจจะเคยฆ่าสัตว์มาแต่พอฟังเรื่องกรรมแล้วผลของกรรมขึ้นมาก็เดือดร้อนใจว่าให้เราได้ทาบาปไปแล้วนี่คุณกุศลก็ไม่ค่อยได้ทา พอเกิดความเดือดร้อนใจนี้เราจะมีอุบายยังไงก็ต้องหมั่นสมาทานทั้งแั่ปนนัณณ์ไปนะครับกุศลใดที่ยังไม่เคยทําก็สมาทานที่จะทํากุศลนั้นตไปนะครับนะเพราะว่า อ, อุบายปลอบใจอย่างธรรมดาทั่วๆไปก็หายากพอสมควรนะครับนอกจากจนอ้นี่เป็นโทษของวัตตะทั้งหลายนะเป็นโทษของความไม่รู้นะครับเป็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นโทษของกรรมปิบากกิเลศทั้งหลาย เป็นโทษของการไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ได้ครบผากลยา น, นมิตรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปสํานึกโทษอันนี้แล้วประวัติศาสตร์อันนี้จะต้องไม่ซ้ํารอยเป็นต้นนะนั่นเองนะครับขออนุ ญ, ญาตนะเจตสิกถีนมิทะที่มันมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจแต่ไอ้ผมมานั่งสงสัยว่าอุทจอากับกุกุจานเนี่ยมันเป็นเจตสิกที่อยู่ในคนละ ก, กลุ่มแต่เมื่อเวลาพูดถึงแล้ว ม, มันมักจะมาด้วยกันเนี่ยเป็นเพราะอะไร อุทจจานี้เป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกนะครับสำหรับอากุศลอากุศลทุกดวงต้องมีอุทจจานี่นะครับเกิดร่วมด้วยหมดเลยนะครับถือถึงโลภะก็มีอุทจจะโทสะก็มีอุทจจะโมหะก็มีอุทจจะแต่ทําไมโทสะกับอุทจจะจึงเกิดร่วมกันนะครับคือพออุทจจะได้ช่องนะกุกุจจามันทํางานเต็มที่นะครับถ้ากุกุจจ์เกิดนะอุทธจจามันก็ตเตลิดเปิดเปิงนะครับมันส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะนั้นจึงแสดงควบคู่กัน แต่จะแยกกันก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่กุกุจากเกิดอุทะจักก็ต้องเกิดร่วมด้วยนะครับเพราะว่าอุทจะกนั้นเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลทั้งปวงครับอกุศลสาธารณะนั่นเองนะครับสัพพสาธารณะอกุศลทั้งปวงนะครับอุทะจักเนี่ย